ช่วยการรักษามรดกธรรมะของพ่อแม่ครูอาจารย์เรื่องที่จะต้องเอาไปคิดเป็นการบ้านประวัติวัดเป็นมาอย่างไรครูบาอาจารย์ท่านวางข้อวัดปฏิบัติไว้อย่างไรท่านมาเริ่มสร้างวัดทีแรกท่านทําอย่างไรมันจึงเป็นวัดเป็นวาขึ้นมาได้ มีคนมาเข้าวัดเข้าวาจนล้นเหลือเนี่ยท่านทำอย่างไรทำอย่างไรเราจึงจะรักษามรดกของครูบาอาจารย์ไว้ได้ให้มันคงเส้นคงวาไม่ให้สูญไปปัญหาเหล่านี้มันเป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดทั้งนั้นอะไรที่มันบกพร่องอะไรที่มันหย่อนพยายามช่วยกันปรับปรุงให้มันดีขึ้นวัดป่าสารวันร มีชื่อเสียงเพราะกรรมฐานทำอย่างไรกรรมฐานมันจึงจะฟื้นฟูขึ้นมาเหมือนอย่างที่สมัยครูบาอาจารย์อยู่มาเดียเ๋ยวนี้มันเข้าทำนองที่ว่าเวลาที่ครูบาอาจารย์เปลี่ยงพลั้มลงป่วยลงป่วยกันหมดวัดถ้าระดับพระเถระของเราเนี่ยทาวัดเช้าทาวัดเย็นพร้อมหน้าพร้อมตากันคนที่มารุ่นหลังเนี่ยไม่ต้องไปสอนมันหรอก หลวงพ่อเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เสาท่านไม่เห็นได้เทศอะไรมีแต่ท่านทำให้เป็นตัวอย่าง